เมื่อมีใครตดเตียนนางภิกษุณีต่อหน้าเธอเธอก็โกรธเคืองก่ออาธิกรหรือเมื่อมีใครตดเตียนเธอต่อหน้านางภิกษุทั้งหลายนางภิกษุทั้งหลายก็โกรธเคืองก่ออาธิกรโดยทรงสั่งสอนให้ละความพอใจแบบชาวบ้านในวงเล็บเคหะสิตะเมื่อมีใครตดเตียนหรือทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยไม้ปลองด้วยสัตรา